เพียงคำเดียวเป็นสื่อนำจิตของฉันให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิสติภาวังพยายามนึกพุทธโธพุทธโธไปที่จิตนาที่ของเราเพียงแต่นึกพุทธโธเพียงอย่างเดียว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 ถึงแม้ว่าจะยังเป็นสมาธิอ่อนๆอก็ให้เราประคับประคองจิตของเราให้อยู่เฉยๆระ ว, วังอย่าให้เกิดเอกใจหรือตกใจขึ้นมาถ้าหากจิตของเราค่อยๆสงบ ล, ลงไปทีละน้อยทละน้อยเราจะไม่ตกใจ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 แต่ถ้าสติของเราตามรู้ทันจิตของเราจะรู้สึกแจ่มแจ่มก็ยิมก็ยิมบางทีก็มีความสว่างสวัยในตอนนี้จิตของเราอาจจะนิ่งว่างอยู่เฉยเมื่อมันนิ่งว่างอยู่เฉยเฉยผู้ปฏิบัติก็รู้อยู่เฉย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 แต่จิตของเราจะมีความรู้อยู่เฉพาะในจิตเท่านั้นบางทีมันว่างจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายมีแต่จิตตัวเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่พอมาถึงตอนนี้แล้วสัญญาเจตนาที่เราจะประครับประคองจิตมันหมดไป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 เพราะงั้นแม้ว่าจิตของเราจะสงบได้เพียงแค่สมถะกรรมฐ า, านไม่เกิดภูมิความรู้ก็าตามทีแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็คือทำให้จิตของเรามีความมั่นคงจึงเรียกว่าสมาธิแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิต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 แล้วก็เป็นผู้เบิกบานเพราะจิตของเรามีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ไม่สะทกสะทาต่อเหตุการณ์ทั้งปวงยิ้มรับสถานการณ์ได้อย่างคล่องตัวและด้วยความแกล้วกล้าอาถรรพ์จึงเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ทางหนึ่งซึ่งจิตสมาธิจะพึงเป็นไป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 อันนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งคือเอกขตตาอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันคือความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเมื่อจิตมีพลังแ ก, กล่ลาสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่ากายค่อยจางไปจางไปจางไปความเบากายเบาใจใกายเบาจิตเบาก็ปรากฏขึ้น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 บางทีก็แสดงอาการมามาวนรอบจิตยู่ตลอดเวลาแต่ใจจิติตไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นสรงดวงวังไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเินอิจิตัสสละแก่ตัวจริงๆส่วนตัวที่มีป ร, ราากฏการให้จิตลูล ก, ก็จะเกิดขึ้นดับไปเกิด ข, ข, ขึ้นดับไปเกิด ข, ข, ข, ข, ขึ้นดับไปแต่ไม่ได้ได้ว่านวายไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าอะไรจะเด่นอะไรสักแต่ว่ารู้อยนะู่จะเด็นอยู่เท่านั้นเจตตนาสัญญาที่จะไปสมมติบัญญัติสิ่งที่รู้เห็นว่าเป็นอะไรย่อมไม่มี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 เป็นจิตแท้เป็นจิต ด, ดั้งเดิมจิต ด, ดวงนี้แหละที่นักปราชญ์ท่านว่าประพัสนลมิทางพิกเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือเป็นจิตที่สะอาดแต่ความสะอาดของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าขาว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 ความรู้สึกที่มีกิเลสหรืออารมณ์เป็นสิ่งลูกของจิตก็ย่อมปรากฏขึ้นอันนี้เป็นความเป็นไปของจิตในสมาธิขั้นที่เข้าไปสู่จิตแท้จิตจั้งเดิมของเราเมื่อเราปฏิบัติสมาธิมาถึงจุดนี้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 ยังไม่ได้วันไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆสิ่งรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปในภายในจิตได้เพราะตอนนี้จิตมีพลังงานอย่างเข้มข้นมีอำนาจจูเหนอกิเลสและอารมณ์ชั่วขนาดหนึ่งอันนี้คือสมาธิขั้นละเอียดขั้นสูงสุด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 เพราะจิตยังไม่ได้ตัดสินใจรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นนั้นแต่ถ้าว่าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วถอนพูดพูดพู ด, พดมาสู่ปกติธรรมดาโดยไม่ได้จับยัง้งเพื่อพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งโมิจิตก็ได้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐาน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 ว่าจิตนั่นคืออะไรสมาธินั่นคืออะไรก็ยังเป็นสมถะแต่ว่าถ้าจิตไปรู้ว่าอ๋อนี่หนอจิตแท้จิตรั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้รู้แจ้งเห็นชัดถายสงสัยเป็นวิปัสนาจิตที่มารู้ว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงาน ความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา